แนะนำบทอัลฟัตบทนี้เป็นบทมาดาเนียมี 29 องค์การที่ความสนใจทางด้านการตราพระราชบัญญัติเช่นเดียวกับบทมาดาเนียอื่นๆบทนี้ได้กล่าวถึงการทําสัญญาปรองดองที่ที่ฮุไดบียะห์ที่กระทําขึ้นระหว่างท่านรอซูลกับพวกมุชริกีนในปีที่ ah, 6 แห่งฮิจเราะห์ศักราช ซึ่งเป็นการเริ่มแห่งการพิชิตนครมักกะฮ์เหตุการณ์ครั้งนี้ทําให้บรรดาผู้ศรัทธาได้มีอํานาจมีชัยชนะมีความมั่นคงแข็งแรงมากยิ่งขึ้นมหาชนพากันเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามเป็นจํานวนมากวัตได้กล่าวถึงการต่อสู้ของบรรดาผู้ศรัทธาและทําสัตยาบันอันฤทวาลซึ่งได้ให้สัตยาบันกับท่านรอซูล ว่าจะทําการต่อสู้แนวทางของอัลเลาะห์จนกระทั่งชีวิตจะหาไม่และนับได้ว่าเป็นการทําสัตยาบันครั้งสําคัญยิ่งด้วยเหตุนี้อัลเลาะห์จึงประทานความสิริมงคลให้และทรงโปรดปรานแก่บรรดาสาวกเหล่านั้นบทนี้ได้กล่าวถึงชาวอาหรับชนบทซึ่งหัวใจของพวกเขามีโรคและพวกมูนาฟิกีนที่เหลืออยู่ในเมืองไม่ออกไปร่วมทําสงครามกับท่านรอซูลพวกเหล่านั้นได้คิดร้ายต่อท่านรอซูล บทนี้ได้กล่าวถึงความฝันซึ่งท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฝันเห็นในขณะที่นอนอยู่ในนครบะดีนะห์และท่านได้เล่าความฝันนั้นให้แก่บรรดาสาวกได้รับฟังพวกเขาได้แสดงความยินดีกันความฝันนั้นก็คือว่าการเข้าสู่นครมักกะฮ์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดามุสลิมด้วยความปลอดภัยและความอบอุ่น และความฝันนั้นก็ได้เป็นความจริงเพราะท่านรอซูลและบรรดาผู้ศรัทธาได้เข้านครมักกะฮ์ในสภาพผู้ทําอุมเราะห์ด้วยความปลอดภัยและความสงบบทอัลฟาถูกขนานนามเช่นนี้เพราะอัลเลาะห์ทรงแจ้งข่าวดีกับบรรดาผู้ศรัทธาด้วยชัยชนะอันยิ่งใหญ่บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม দুই পরানাম খো আল্লাহ পুসং করুণা পুসং মেতা সমেহ ইননা ফাতাহনা লাকা ফাতহাম মবিনা তা জিং রাও দাই chayachana แกเจ้า সুং পেন chayachana อันชัดแจ নিয়া ফিরালাক আল্লাহুমা তা কদ্দাম মিন দা বিকা ওয়া মা তা আখখর ওয়া ইয়াতিমু নি'মাতহু আলাইকা ওয়া ইয়াহদিয়াকা সিরাতান মুস্তাকিমা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 ให้กับการศรัทธาของพวกเขาและเป็นสิทธิของอัลเลาะห์คือพระไพรผลแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินแล้วลอเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปรีชาญาณริยุดิลมุอ์มินีนวัลมุอ์มินาตญันนาตตัจรีมินตะห์ติฮัลอันฮา تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما เพื่อพระองค์จะทรงให้บรรดาผู้ศรัทธาชายและบรรดาผู้ศรัทธาหญิงได้เข้าสวนสวรรค์อันหลากหลายซึ่งมีแม่น้ําหลายสายไหลผ่านอยู่เบื้องล่าง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 عليهم دائره السوء وغضب الله عليهم ولعنهم واعدلهم جهنم وساءت مصيرا لا และพระองค์จะทรงลงโทษแก่ผู้กลับกลอกชายและผู้กลับกลอกหญิงและบรรดาผู้ตั้งภาคีชายและบรรดาผู้ตั้งภาคี จงประสบแก่พวกเขาเถิดและอัลเลาะห์ทรงโกรธกริ้วพวกเขาและทรงสาปแช่งพวกเขาตลอดจนเตรียมนรกยานนํานั้นไว้สําหรับพวกเขาอีกด้วยมันเป็นทางกลับที่ชั่วร้ายยิ่งอัลลอฮฺดุนูดุสสะมาวาตวัลอรฎฺและอัลลอฮฺอะซีซันฮะกีมาละเป็นสิทธิของอัลเลาะห์คือไพร่พลแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและอัลเลาะห์นั้น เป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชาญาณอินนาอรสัลนากาชีดอนวะมุบชิรอวะนะซีรอแท้จริงเราได้ส่งเจ้ามาเพื่อเป็นพยานและผู้แจ้งข่าวดีและผู้แจ้งข่าวร้ายลีตุมีนูบิลลาฮิวะรอซูลิฮิวะตอซซิรูวะตอคติรูวะซับบิหู وَتَسْبِيحُهُ بُكْرًا وَأَصِيلًا เพื่อพระเจ้าศรัทธาต่ออัลเลาะห์และรอซูลของพระองค์และความช่วยเหลือเขารอซูลและยกย่องให้เกียรติเขารอซูลและแซ่ซ้องสดุดีพระองค์ทั้งในยามเช้าและยามเย็น إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ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 ส่วนผู้ใดปฏิบัติตามสัญญาที่เขาได้มีไว้กับอัลเลาะห์โดยครบถ้วนพระองค์ก็จะทรงตอบแทนรางวัลอันใหญ่หลวงแก่เขา قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيراชาวอาหรับที่เหลืออยู่ในเมืองจะกล่าวแก่เจ้าว่า ทรัพย์สินของเราและครอบครัวของเราทำให้เรามีงานยุ่งอยู่ดังนั้นได้โปรดขออภัยให้แก่เราด้วย